มาเคลนวักที่สองนิปปันจวักนีนะปัญหาแรกบอกว่านิปปันจะปัญหาปปันจะเนี่ยมีความหมายว่าเครื่องเนิ่นช้าตัวทั่วไปมักนิยมมาแปลว่าเนิ่นช้าหรือบางท่านก็แปลว่าขยายวัตตะเนี่ยนะก็คือมันไม่อัตถะไม่ต่างกันเนิรนช้าก็คือเนิ่นช้าอยู่ในวัตตะกับขยายวัตตะนมันก็ นิยมทั่วทไปนิยมแปลว่าเนื่นช้านิตัวนั้นก็นิปฏิเสธนะนิปปัญจะก็แปลว่าไม่มีเครื่องเนื่นช้าพระเจ้ามิลินกราเปลียนถามพระนาเกษตว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่านิปปัญจาราโมภิกขเววิหารธาณิปปัญจรติโน แปลว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายพวกเธอจงมีนิปปันจะทรทมที่ปราศจากความเนื่นช้าหรือทมที่ไม่เนื่นช้าเป็นที่ยินดีก็คือลักษณะคำสั่งว่าจงนะจงมีนิปปันจะทมเป็นที่ยินดีหรือยินดีในนิปปันจะทำอยู่เธอนะแปลว่าให้ยินดีในธรรมที่ไม่เนื่นช้านะมีธรรมที่ไม่เนื่นช้าเป็นที่มายินดียินดีในธรรมที่ไม่เนื่นช้า นิปปันจะทำนั่นเป็นัย ไ, ไอ้ทำที่ไม่เนิ่นช้าคืออะไรขอถวายพระพรโสดาปฏิพนชื่อว่านิปปันจะทำสกทาคามิพนก็ชื่อว่านิปปันจะทำอนาคามิพนก็ชื่อว่านิปปันจะทำอรหัตพนก็ชื่อว่านิปปันจะทำแต่ถ้าอันนี้เป็นการแสดงแบบมีส่วนเหลือนะเป็นการแสดงคำแบบมีส่วนเหลือ เพราะว่านิปปัณจะทำตามอัตกถายกมาบอกว่าพูดตามตรงจริงๆเลยตัวนิปปัณจะทำคือนิพานอ่านะตรงๆเลยนิปปัณจะทำคือนิพานอย่างที่ในมหาปุริสวิตตกเนี่ยนะมหาปุริสวิตตก8ดในอนุรุธทธาสูตรเนี่ยข้อสุดท้ายก็คือว่ามีนิปปัณจะทำเป็นที่มายินดียินดีในนิปปัณจะทำก็คือยินดีในพระนิพานมีพระนิพานเป็นที่มา ยินดีมันทําที่ไม่เนิ่นช้าหรือไม่ขยายทําให้หมกมุ่นอยู่ในวะตะัตฏะรำมันนั้นก็คือพระนิพพานเนี่ยนะอันนี้พระว่าพูดแบบตรงตรงเรียกว่านิปรยายพูดแบบตรงตรงเลยเจาะจงเลยเพราะนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับปะปันจะทำเหล่านั้นถ้าไม่มีพระนิพพานดับปะปัญจะทำไม่ได้หมายคือว่าถ้าไม่รู้นิพพานอย่าคิดเลยว่าจะหัใจจะเลอะเลนะ จะเลิกหิวในรูปเสียงเปลี่ยนรสโฟตาา้าพระใครอย่าไปคิดว่ามันจะละกิเลสอันนั้นให้ได้ละอันนี้ให้ได้ถ้ายังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ัละไม่ได้เพราะนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับกิเลสเมื่อตรัสรูพ้พระนิพพานแล้วนั่นแหละจึงจะดับทุกข์ได้จริงๆดับตัณหามานะทิฐิเนี่ยบอกอย่ามีมานะอย่ามีโลภะอย่ามีอะไรเนี่ยพูดไม่ไม่ประสบความสําเร็จหรอกถ้าไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ัละไม่ได้อย่างมากก็ข่มใจอะไรไปแค่นั้นเองนะอย่ยางมากแค่ข่มหรือกด หรือว่าอะไรนะอย่าให้มันแลบออกมานะควบคุมไว้ไหมมันแลบออกมาอย่าให้มันพ่นพิษพ่นควันใส่หน้าคนอื่นแค่นั้นเองนะอย่าก็ควบคุมไว้ให้มันกลนอยู่ภายในให้มันระอุเหมือนเตาอะนะเหมือนอะไรที่มันอยู่ในเตาสมเข้าไว้อะไรสมเข้าไว้อย่าไปเปิดปล่องนะเดี๋ยวมันจะออกมาเนี่ยนะจะค้าว่าพยายามปกปิดกระหม่อมเม็ดไว้อย่างนั้นนะแต่ว่าดับจริงๆเลยก็คือพระนิพพานพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับตัณหามนตทิฏฐิได้อย่างเด็ดขาดพระนิพพานจึงชื่อว่านิพปันจรธรรม นีตัวนั้นแปลปฏิเสธเนี่ยดับเลยนะส่วนมัคสีผลสีเนี่ยนะชื่อว่านิป ป, ปันจะทำโดยอ้อมเพราะอะไรเพราะเป็นอารมณ์ของพระนิพภอ่าเพราะอะไรเพราะมัคสีผลสีมีนิพพานเป็นอารมณ์มัคสีผลสีก็ชื่อว่านิป ป, ปันจะทำด้วยเรียกว่าธรรมที่ไม่เนื่องช้าเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโซอ่ามัคสีมีโสดาปฏิมัสสะาคาธรมีมัคอานาคามิมัคและอรหัตตมัคเนี่ยนะ เรียกว่านิป ป, ปัญจะธรรมเพราะเป็นอุบายเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานและมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะอริยมรรคเกิดขึ้นได้ตั้งมั่นอยู่ในพระนิพพานสามัญญผลสี่มีโสดาปติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลก็ชื่อว่านิป ป, ปัญจะธรรมโดยเกี่ยวกับเป็นความสําเร็จคือให้บรรลุพระนิพพานตามอุบายและมีพระนิพพานนั้น เป็นอารมณ์เนี่ยนะคือตัวนิปปันจะรมเนี่ยมี Words. ตัวอริยผลสามัญญผลทั้งหลายก็รู้พระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สามัญญผลนั้นเป็นผลอย่างเช่นโสดาปฏิผลก็เป็นผลของโสดาปฏิมักสกะธาคามีผล ก, ก็เป็นผลของสกะธา НА คามีมักอนาคามีผลก็เป็นผลของอนาคามีมักอรหัตตผลก็เป็นผลของอรหัตตมักเนี่ย น, นะ แต่ถ้าว่าในที่นี้พระเถระกล่าวเป็นเอกเทศเพียงพูดบางส่วนเท่านั้นคือสามัญญผลสี่เรียกว่านิปปปัญจะทำทำที่ไม่เนินช้าคือโซโดาปฏิพลสกธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลแต่ถ้าพูดผลก็เท่ากับพูดมรรคแล้วถ้าอริยมรรคไม่เกิดอริยผลจะเกิดได้อย่างไร แล้วถ้ามักผลถ้าไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์จะเป็นมักเป็นผลได้อย่างไรเพราะอาริยมรรคทั้งหลายรู้พระนิพพานอันนั้นท่านก็แสดงโดยเอกเทศว่าอาริยผลทั้งหลายเป็นนิป ป, ปันจธรรมถ้าพูดตรงเลยก็คือมักสี่ผลสีนั่นแหละเป็นธรรมที่ปราศจากความเนื่นช้า พ, พระเจ้ามิลินก็ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้าถ้าหากว่าโสดาปฏิพันธชื่อว่านิปปันจรรำสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลชื่อว่านิปปันจรระทำไซเพราะเหตุไรภิกษุเหล่านี้ยังเล่าเรียนสอบถามซึ่งสุตะเคยยะเวยากรณาคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตธรรมเวทละกันอยู่ ยังยุ่งเกี่ยวกับงานก่อสร้างยังยุ่งเกี่ยวกับการให้ทานการบูชาทั้งอามิตรบูชาเป็นต้นเนี่ยนะภิกษุเหล่านั้นจัดว่าทําการงานที่พระพุทธพระชินวร์พุทธเจ้าห้ามไม่ใช่หรือห้ามว่าไงก็ห้ามบอกว่าจงยินดีในนิปปันจะทำจงมีนิปปันจะทำเป็นที่มายินดีพระพุทธเจ้าสั่งอย่างนี้ไม่ใช่หรือแล้วทําไมเนี่ยพากันไปเรียนพระไตรปิฎกไปรเรียนทําไมพระไตรปิฎก ยุ่งอะไรกับพระไตรปิฎกของง้นไปยุ่งอะไรกับงานก่อสร้างไปทําไมต้องให้ทานไปทําการสกการะบูชาเป็นต้นทําทําไมอันนี้ก็เท่ากับว่าทำทำอะไรนะทําการขัดขืนในข้อที่รองไม่อนุญาตเนี่ยนะคือฟังดูเออมันก็มีเหตุผลนะถ้าคนที่เรียนธรรมม า, มาไม่เนี่ยนะก็บอกโอ้ยต้องไปเรียนทําไมปฏิบัติอย่างเดียวนิพานไปเลยเนี่ยหมดเรื่องอ่ะนะละไปเลยดับเลยกิเลสเนี่ยนะพอแล้วอ่ะานทำได้ไหมล่ะ พระนาคเษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรภิกษุเหล่าใดเล่าเรียนสอบถามซึ่งสุตะคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัอภูตธรรมเวทละถึงท่านยังยุ่งเกี่ยวกับงานก่อสร้างยังยุ่งเกี่ยวกับการให้ทานและการบูชากันอยู่ภิกษุเหล่านั้นก็รู้ว่ชื่อว่ากระทำเพื่อบรรลุญนิปปันจะทำทั้งสิ้น ไอ้ที่ท่านทำกันว่ากมายเรียนพระไตรวิดกทำงานก่อสร้างให้ทานบูชาเนี่ยนะพุทธบูชาทั้งอามิตรบูชาอะไรเป็นต้นที่ทำทั้งหมดก็ต้องการมรรคผลนิพพานนั่นแหละเนี่ยนะนะขอถวายพระพรภิกสุเหล่าใดเป็นผู้บริสุทธ์ตามสภาวะแล้วคือคนมีบุญเน่ยนะ มีวาสนาอันได้อบรมมาแล้วในพบก่อนภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ย่อมสําเร็จเป็นผู้ไม่มีธรรมเครื่องเนื่องช้าหรือสําเร็จอริยะผลโดยขณะจิตเดียวหมายเขาว่าชั่วแวบเดียวท่านก็ได้แล้วโสดาปฏิผลอย่างเงี้ยนะไปนั่งอาสนะเดียวท่านก็ได้แล้วโสดาปฏิผลเช่นเขาฟังธรรมสมัยก่อนแป๊บเดียวก็บรรลุกันเยอะแยะคนเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมพวกนี้อย่างเนี้ยไม่ใช่ปัญหาเลยไปนั่งฟังชั่วโมงเดียวก็บรลุแล้วไปนั่งท้ายบริษัทก็บรรลุแล้วอย่างเงี้ย คนนี้บุญเก่าเข้ามาเยอะเนี่ยนะส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ยังมีทุลีคือกิเลสในดวงตา ม, มากนะมีราคะเป็นทุลีมีโทสะเป็นทุลีมีโมหะเป็นทุลีทุลีละองจนทําให้ตาอักเสบมองเห็นอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วเนี่ยนะมองไม่เห็นอริ ย, ยสัจรักทีเนี่ยทั้งๆที่อะไรนะเกสาโลมามันก็บอกหมดแล้วใช่แต่ไม่ยอมจะเห็นอริ ย, ยสัจซักทีเลยเนี่ยนะทุลีในในดวงตามันมากขนาดนี้เนี่ย ภิกษุเหล่านั้นจะสําเร็จเป็นผู้ไม่มีธรรมเครื่องเนื่องช้าคือมรรคผลนิพพานก็ต้องโดยอาศัยประโยคะความพยายามขวนขวายเนี่ยนะมีการเล่าเรียนเพราะฉะนั้นถ้าบุญน้อยก็ต้องเล่าเรียนนะประโยคะตรงนี้บอกเลยว่าประโยชนคะคืออะไรคือการเรียนพระไตรปิฎกก็เรียกว่าประโยคะนะการทํางานก่อสร้างการให้ทานการทําพุทธบูชาทั้งหลายเป็นต้นพวกนี้ก็เรียกว่าเป็น ประโยคทั้งนั้นอ่ะพะอไรเพราะท่านเหล่านั้นท่านบุญน้อยเมื่อบุญน้อยจะไปสำเร็จกันได้ไง่ายหรือขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งหวานพืชไว้ในนาที่ดีแล้วพึงใช้ความพยายามตามสมควรแก่กำลังของตนเก็บเกี่ยวทั ญ, ญชาติได้โดยเว้นการล้อมรัว้วหมายคำว่าได้องค์ประกอบนะเขาก็หวานลงไปไม่ต้องไปทารั้วไม่ต้องไป ไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปอะไรหวานลงไปเดี๋ยวก็ได้เวลาก็เก็บเกี่ยวก็สําเร็จประโยชน์แล้วบางคนนี่เป็นอย่างนั้นบุรุษอีกคนหนึ่งหวานพืชไว้ในที่นาแลว้วก็ต้องเข้าไปในปา่าตัดท่อนไม้ตัด ก, กิ่งไม้มาทํารั้วรออ้อมอ่ะเรียกว่าทำรั้วเนี่ยร้อมแล้วก็เก็บเกี่ยวธัญชาติได้คือมีข้อแม้เยอะมากะนะจะทํานากับเขาทีจต้องทำรั้วจะต้องทําคันนาจะต้องทาําดํานบจะต้องปั้นคันนาเนี่ยนะอย่างคิดดูนะเอามานึกถึงอ่ะ อย่างเราเป็นคนภาคอีสานหรือภาคเหนือเป็นต้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าชาวอีสานชาวเหนือเนี่ยคันนาเต็มไปหมดเลยที่ชาวภาคกลางนาเป็นไม่รู้กี่สิบไรไม่มีคันนาแม้แต่อันเดียวนะเราก็บอกมันรู้สึกแมริษยาเขาเหมือนกันนะคือคืออิจฉาเขาเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่มีคันนาเลยมันต้องมานั่งปั้นคันนาโอ้ยขุดปอกแล้วปอกเองมาปั้นเป็นแถวเป็นระเบียบเป็นตีตารางเนี่ยนะเพื่อจะได้ทํานาไอ้ที่ภาคกลางสบายนาโลง่งใหญ่โตไปหมด เนี่ยต้องทําคันนาเลยยังไงเนี่ยคือบางคนเนี่ยนาบางแห่งมันไม่ต้องมีคันนามก็มมนนมเพาะปลูกได้ผลนะ้วทีนี้นไอ้นาแบบประเภทที่ราบสูงเนี่ยนะถ้าไม่มีคัน น, า น, าน้ำกไหลไปหมดก็ต้อง ป, none, ปั้นคันนากัน่ะปั้นคันนาเพราะชาวนาที่ที่ได้ผลมากๆส่วนใหญ่จะต้องสละเวลาของตัวเองเนี่ยปั้นคันนาเยอะมากเลยนะต้องแบ่งเวลาไปทําคันนาดูแลน้ําเป็นอย่างดีไปภาคกลางเนี่ยพื้นที่เขาเรียบอยู่แล้วใช่ไหม <ing> เขาไม่ต้องมีคันนาเพราะน้ํามันจะเสมอโดยธรรมชาติเหมือนกนอาจารย์เคยทำนามาก่อนเครับแล้ว โ, โตมาเพราะชาวนานนะี่ยแหละทีนี้เขาบอกว่ามันบุญมันต่างกันใช่ไหมบางคนมันทําง่ายแป๊บเดียวเนี่ยนะหวานก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเก็บเกลียวก็ใช้รถแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วใช่ไหมไอ้บางคนเนี่ยมันไม่ใช่อย่างงั้นเนี่ยนะจะต้องทําทางรัว้วทําอะไรทํารัว้วทําอะไรหาปุ๋ยดูแลกว่าจะสําเร็จเนี่ยโอ้ ย, อยากมากฉันใดก็ดีภิกษุเหล่าใดาเป็นผู้บริสุทธิ์ตามสภาวะอยู่แล้วแปลว่าคนมีบุญเนี่ยนะ มีวาสนาอันได้อบรมไว้แล้วในภพก่อนภิกษุเหล่านั้นย่อมสําเร็จเป็นผู้ไม่มีธรรมเครื่องเนื่นชาโดยขณะ จ, จิตเดียวนั่งแป๊บเดียวฟงังธรรมก็บรรลุแล้วเปรียบได้กับบุรุษผู้เก็บเกี่ยวทรญมชาติไว้โดยเวน้นรั้วล้อมฉะนั้นของเราเนี่ยนะก็ดูว่าเท่าที่เรียนมาปัจจุบันชาติเนี่ยชาติหน้าบรรลุง่ายไหมดูท่าแหละจาำนี้คิดว่าบรรลุได้ง่ายไหมไม่น่าจะยากนะนั่งฟังแป๊บเดียวกว็บรุแล้วว่างัน ถ้ามั่นใจขนาดนั้นก็อนุโมทนาด้วยนะแต่ไม่มั่นใจแลยเขาบรรลุอะไรเลยอย่างเงี้ก็ถ้าอย่างงี้ก็เรียนต่อไปเถอะเนี่ยนะอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยส่วนว่าภิกษุเหล่าใดเป็นผู้มีทุลีในดวงตา ม, มากภิกษุเหล่านั้นจะสําเร็จเป็นผู้ไม่มีธรรมเครื่องเนื่นช้าก็โดยอาศัยประโยชค่ามีการเล่าเรียนเป็นต้นนะนะคนบุญน้อยทั้งหลายจะต้องทําอะไรจะต้องเล่าเรียนพระไตรปิฎกต้องสอบถาม จะต้องแค่เรียกว่าต้องทํางานก่อสร้างต้องให้ทานต้องทําพุทธบูชาอย่างอื่นเป็นต้นเนี่ยนะเปรียบกับบุรุษผู้ต้องทํานาแล้วก็ต้องล้อมรั้วสะกอนข้อยจึงจะได้เก็บเกี่ยวทำทันยชาติคือข้าวเปลือกเป็นต้นฉะนั้นอีกในหนึ่งขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งมีผลมะม่วงเป็นช่อๆอยู่ตอนบนต้นมะม่วงต้นใหญ่ๆเนี่ยนะเราเป็นมะม่วงโอ้ยสุกเต็มต้นไปหมดเลย ต่อมามีบุรุษผู้มีฤทธิ์คนใดคนหนึ่งเหาะมายังสวนบนต้นมะม่วงนั้นเก็บเอามะม่วงนั้นของบุรุษนั้นไปส่วนบุรุษไม่มีฤทธิ์มาที่ต้นมะม่วงก็ต้องตัดไม้และถาวันมาผูกเป็นพระ อ, องค์แล้วก็ไต่ขึ้นไปบนมะม่วงไปทางพระ อ, องค์นั้นแล้วก็เก็บเอามะม่วงนั้นไปอีกคนหนึ่งมาถึงก็สอยเอาไปแล้วใช่อีกคนหนึ่งแม้กว่าจะได้ลูกหนึ่งมันยากแท้น่นะ ขอถวายพระพร อ, อุปมาฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้นภิกษุเหล่าใดเป็นผู้บริสุทธิ์ตามสภาวะอยู่แล้วมีวาสนาอันได้อบรมไว้แล้วในพบก่อนภิกษุเหล่านั้นย่อมสำเร็จเป็นผู้ไม่มีธรรมเครื่องเนิ่นช้าโดยขณะจิตเดียวเปรียบได้กับบุรุษผู้มีฤทธิ์ผู้มาเก็บผลมะม่วงไปฉะนั้นเนี่ยนะเหมือนกับคนไม่เรียกว่าคนคนไม่มีฤทธิ์เนี่ยนะแกว่าจะได้อะไรซักอย่างในยอดแท้นี่นะ ส่วนว่าภิกษุเหล่าใดเป็นผู้มีธุรีในดวงตามมากภิกษุเหล่านั้นจะสำเร็จเป็นผู้ไม่มีทําเครื่องเนื่องช้าก็โดยอาศัยประโยคน์ามมีการเล่าเรียนเป็นต้นเหล่านี้เปรียบได้กับบรุรตรผู้ต้องการใช้พระองค์จึงเก็บมะม่วงได้ฉะนั้นคือมันแล้วแต่บุญจริงๆมันไงไนอะการบรรลุมรรคผลเนี่ยคนมีบุญเนี่ยอะไรมันก็ง่ายไปหมดไนอะคนไม่มีบุญเนี่ยมันยากยากไปทุกเรื่องเลยนะ เรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็ยากเรื่องเรียกว่าไอ้ง่ายง่ายคนอื่นก็ง่ายหมดไอเรามันยากอยู่คนเดียวว่างั้นเนอะมันมันมีปัญหาไปหมดเลยเรียกว่าคนบุญน้อยเนี่ยทําอะไรก็ยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งจริงๆเรื่องมันไม่ได้ยากเกินอะไรเลยมันไม่แทบมันมันไม่ใช่ปัญหาแต่เออมันก็เป็นปัญหาได้ว่างั้นเพราะอะไรเพราะบุญมันน้อยคนที่สั่งสมบุญมาน้อยอย่างคนที่อย่างอะไรนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเกินมามันก็เป็นภาษาของเขาแล้ว นะคลอดมาอุ้เข า, าได้ยินเาพูดเป็นภาษาบาลีแล้วหมือนนเถอะพูดเป็นภาษามาคตของเขาอยู่แล้วใช่ไมมันไม่ใช่ปัญหาของของเขาอะ่ะเพราะนั้นเขามาเรียนลกฎเกณฑ์วยากรนี่ๆหน่อยๆเขาก็รู้แล้วอ่ะนะคือไม่เรียนเขาก็พูดได้เหมือนนเถอะ มันฟังธรรมไปพบพระพุทธเจ้าเขาก็บรลุแล้วมันขอทานอยู่ดีๆเนี่ยขอไปเจอพบขอทานไปจนพบพระพุทธเจ้าฟังธรรมก็บรลุแล้วก็เรื่อมันเป็นภาษาเดียวกันมันเป็นอะไรเดียวกันเน่ยตอนนี้แหมใครจะมารู้ภาษาเท่ากับเด็กสมัยนั้นเนี่ยนะโอ้ยแหมเป็นอาจารย์ใหญ่มากเลยนะรู้ภาษาเท่ากับเด็กสมัยนั้นน่ะนะฉลาดเท่าเด็กสมัยนั้นนะโอ๊ยเป็นศาสตราจารย์ยิ่งใหญ่เชี่ยวชาญด้านภาษา จึงมีอะไรหรอกถ้าไปเปรียบกับคนยุคนั้นเนี่ยเแบบี้หน้าดูแห ล, นะละนะเราอ่อนมากๆเลยแหละนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเลยว่ามันมันมั น, มนบุญมันต่างกันเนี่ยนะพอทําบุญมาต่างกันอะไรมันก็ต่างกันไปหมดคนมีบุญเนี่ยมันง่ายไปหมดเนี่ยนะแต่คนบุญน้อยทั้งหลายเนี่ยมันยากไปทุกเรื่องมาง นี่ต่อไปอีกขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งเป็นผู้ต้องการทำผลประโยชน์คือต้องการรายได้นะอย่างเช่นแสวงหาเลี้ยงชีพเนี่ยจงการมีรายได้มีเงินเดือนเงินดาอะไรกับเขาสักอย่างเนี่ยเข้าถึงความเป็นเจ้านายแล้วก็ทำผลประโยชน์นั้นให้สำเร็จโดยลำพังตนคนเดียวเท่านั้นส่วนบุรุษผู้มีทรัพย์อีกคนหนึ่งจะต้องใช้ทรัพย์จ้างชาว บริษัทบางคนเนี่ยมันมีฤทธิ์มากแป๊บเดียวมันก็ทําอะไรสําเร็จหมดแล้วในชะคนนี้ต้องอะไรไต้องไปจ้างชาวบริษัทอาศัยชาวบริษัทจึงทําประโยชน์ให้สําเร็จได้บุคคลทั้งสองนั้นเนี่ยนะการต้องแสวงหาบริษัทของบุรุษผู้มีทรัพย์ใดการแสวงหาชาวบริษัทนั้นย่อมมีเพื่อประโยชน์อันนั้นฉันใดขอถวายพระพร อ, อุปมาฉันใดอุปมมย ก, ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุเหล่าใดผู้บริสุทธิ์ตามสภาวะ มีวาสนาอันได้อบรมไว้แล้วในพบก่อนภิกษุเหล่านั้นย่อมบรรลุวัตสีภาวะในอภินญาหกโดยขณะจิตเดียวเปรียบได้กับบุรุษผู้ทําผลประโยชน์ให้สําเร็จได้โดยลําพังคนเดียวแป๊บเดียวเขาก็ทําสําเร็จแล้วนะอีกคนหนึ่งเนี่ยนะแม้มันต้องไปหาอ ะ, อะไรคนหนึ่งเห็นไปป๊บมันง่ายอย่างสมมติค อ, คอมพิวเตอร์เสียเนี่ยนะไอคนที่มันเป็นเนี่มันเคาะโน่นเคาะนี่หยีกโน่นจับนี่มันก็ทํางานต่อได้แล้วใช่ไหมไอคนที่ไม่เป็นทําไงจะไม่นิด หอพรุงพะรังไปร้านร้านบอกว่าเจ้าแกลยคนนั้นไม่อยู่ไอ้ก็แล้วก็เียกกันไปเย้กันมาอุย้ยกว่าจะได้เนี่ยมานั่งดูคอมอันหนึ่งเนี่ยนะอุย้ยอะไรจะยากเย็นขนาดนั้นเลยกันเถอะอนั่นนะบางเครื่องรองอะไรสปีนั่นแหละมันไม่มีอะไรใช่ <laughs> บางอย่างมันอุย้ยมันยากจริงเลยนะจะใช้เนี่ยมันต้องวานคนนั้นอ้อมคนนี้ชิงคนนั้นอย่างทัว่าคนรถเสียแล้วไม่เป็นใช่ไหม ไม่เป็นในจอกลางถนนเนี่ยโอ้ยเรียกคนนั้นเรียกคนนี้ลากไปลากมากว่าจะได้ถ้าคนที่เป็นจริงๆนะจับนี้โยกนั้นโยกนี้นก็ขับต่อไปได้แล้วคือคือไอ้บางคนที่เขามีบุญเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นบางเรื่องเนี่ยมันง่ายง่ายศึกษาพระธรรมเนี่ยนะแป๊บเดียวก็บรรลุได้แล้วอย่างเงี้ยส่วนคนที่มีกิเลสคือทุรีในดวงตา ม, มากพวกเหล่านั้นเนี่ยนะย่อมทำสามมสามัญญผลให้สาเร็จได้ อาศัยประโยคน์้ามมีการเล่าเรียนเป็นต้นเปรียบได้กับบุรุษผู้ทําผลประโยชน์ให้สําเร็จได้โดยอาศัยชาวบริษัทฉะนั้นอย่างก็สมัยพุทธกาลหลังพุทธกาลนี่ก็มีลูกศิษย์ของพระเถระหลายรูปเนี่ยนะมาเรียนกับพระเถระแป๊บเดียวเนี่ยก็บรรลุ ก, กันไปหมดแล้วตัวพระเถระเองกับบวชมาทั้งกับเล็กกัน้อยเนี่ยนะหมาทรงจาเยอะแยะสอนเข้าบรรลุมากมายตัวเองกว่าจะปฏิบัติบรรลุเอาเข้าจริงสาสิบปี ลูกศิษย์เขาไปทําไม่กี่วันเขาก็บรลุกันหมดแล้วในตัวอาจารย์เองเนี่ยอินรีย์มันน้อยเนี่ยนะอินซีไม่แก่กล้าเนี่ยสาสิปีจึงได้บรรลุเี่ยบางทีก็นอนอะไรเดินจนร้องไห้ไหนๆกว่าจะได้บรรลุกับเขาคือบางคนเนี่ยบุญมากบุญน้อยมันต่างกันเนี่ยอย่าไปแข่งกันเลยเนี่ยนะสังสมมาไม่เหมือนกันทํามาไม่เท่ากันหรอกนะเมื่อมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับว่าเออคนมีบุญกับคนที่บุญน้อยเนี่ยก็เรียกว่าแล้วก็ทําคนบุญน้อยทํำยังไง ทังเอารวบรวมบุญกุศลเหล่าใดที่จะช่วยทําให้บรรลุมรรคผลได้ก็เลยบอกขอถวายพระพรแม้การเล่าเรียนก็จัดว่ามีอุปการะมากถ้าไม่เรียนจะรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรสาวกทั้งหลายที่เขาตรัสรู้ตามก็ตรัสรู้อะไรแล้วก็ไม่รู้อยู่แล้วเพราะการเรียนจึงมีอุปการะมากต่อการบรรลุมรรคผลการสอบถามเนี่ยนะการสอบถามเพื่อปรารถนาจะรู้โดยรอบก็ประก็ เพราะเรียนไปแล้วบางทีไม่รู้เราเข้าใจถูกเก่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบมันก็ต้องอาศัยการสอบถามก็เรียกว่าตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะการสอบถามก็คือตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มันชัดเจนว่าเป็นอันเดียวกันแน่นอนนะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก็เป็นสิ่งที่อุปการะเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลแม้งานก่อสร้างก็จัดว่าอุปการะเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผล บางคนบอกออ้ยมัวทำไมไปสร้างทําไมมันจะยังนั่นอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีคนมีบุญบางคนสร้างเนยไม่มีที่อยู่จริงๆเลยเอกหลายคนเนี่ยไม่มีที่อยู่จริงๆเลยแบงนั้นแต่ถ้าไม่มีบางคนที่เขาเสียสลักเขาไปทำไปอะไรเนี่ยนะอย่างอย่างวัดบางแห่งเนี่ยนะบางบางองค์ก็บอกไม่ผมไม่สนใจหรอกงานก่อสร้างเจ้าวาดดูแลไปเนี่ยนะเจ้าวาดเงินตกยางออกกระท้วมไปหมดเลยนะแล้วลูกไ อ, อเขาทําเสร็จนะเจ้าวาดไม่ได้อยู่หรอกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไอคนที่เหลือเนะี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะ คือบางทีนั้นนะ่ะผู้ที่เขาก่อสร้างเนี่ยจริงๆเขามีอัธยาศัยใหญ่นะจริงๆเขาทำแต่ถามว่าเขาอยากอยู่เองใช่ไหมอะไรใช่ไหมบอกไม่เสร็จแล้วก็แล้วกันไปเนี่ยนะก็ก็ถือว่างานมันประสบความสําเร็จแล้วคนทําก็ได้บุญไปแล้วอะไรไปแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็พร้อมที่จะไปทําอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างอื่นอีกต่ อ, ต, อต่อไปเพราะั้นการก่อสร้างก็นับว่าเป็นอุปการะเกื้อกูลเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายๆอย่างด้วยกัน นันไม่ใช่ว่าไม่มีบุญไม่เป็นบุญไปเลยอ่ะนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสําหรับคนบุญน้อยมันก็จําต้องอาศัยสเสบียงอ่ะนะคิดดูนะเราคิดดูง่ายๆเนี่ยถ้าจะไปไหว้พระเจดีสักแข่งหนึ่งอ่ะนะถ้าคนมีบุญมากเนี่ยนะไปแทบจะไปตัวเปล่าเลยแล้วเอาเงินไปซื้อเอาข้างหน้าไอ้คนบุญน้อยหอบข้าวสารไปเองหอบปลาแห้งไปเองเอาที่หลับผลที่นอนไปเองเลยนะ ก็กว่าจะกลางเต็นท์นอนได้กว่าจะอะไรได้เพื่อจะไปไหว้พระเนี่ยนะไอ้คนมีบุญไปถึงก็โอ้ยมีคนมาต้อนรับเชื้อเชิญอาหารก็ร่างต้งงวยล่างชามก็ไม่ต้องถึงเวลารถก็มายได้โปรดได้เวลาไปแล้วครับเชื้อเชิญอาราธนาขอร้องไปเ้อย่งเ้ยนะคือคนมีบุญกับไม่มีบุญเนี่ยมันต่างกันมากเรวฟ้ากับเหวเลยแหละเชื่อ เพราะคนที่เขาเ้าที่เขามีบุญมากๆอาจจะอดีตไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทําเหตุมาเขาทําเหตุมาเป็นอย่างดีเขาจึงมีความสุขสบายพร้อมที่จะแตสรู้ธรรมอย่างบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าหิวนี่มันเป็นยังไงเขานึกไม่ออกนะตั้งกระบอกว่าตั้งเมื่อไหร่บอกตั้งกับเกิดเลยเขาไม่หิวไม่เป็นนะนะหิวไม่เป็นเพราะอะไรพ่อๆแบบอะไรนะทุกๆไม่กี่นาทีก็ต้องมีเอาคนมาหยอดนั่นนิดหยอดนี่หน่อยมันก็เลยอิ่มตลอดไม่รู้ไอหิวนี่มันเป็นยังไง นะบางคนเขามีบุญขนาดนั้นเขาไม่เข้าใจหรอกคาว่าหิวนะนะแต่บางคนเนี่ยไอ้อิ่มจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงไม่เข้าใจมันกันเนี่ยนะบางคนนี่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่กล้ากินมากเพราะมันมันไม่มีอ่ะมันมันมันยากจนเนี่ยบุญมันต่างกันเยอะจริงๆเลยดังั้นการให้ทานก็นับว่ามีอุปการะมากแม้การบูชาเนี่ยนะทั้งอาลีบูชาและปฏิบัติบูบชาก็มีอุปการะมากเมื่อกิจที่ควรทําทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่ ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งเป็นผู้คบหาพระราชาได้ทำอุปการะคุณไว้กับพวกอมตะพวกไพรพลในประตูทหารยามรักษาพระองค์และชนชาวบริษัททั้งหลายเมื่อกิจที่ที่ต้องทำเนี่ยตกถึงแก่บุรุษนั้นบุคคลแม้ทั้งปวงก็ย่อมเป็นอุปการะช่วยเหลือเขาฉันใดขอถวายพระพรแม้การเล่าเรียนก็จัดว่ามีอุปการะมากแม้การสอบถามก็จัดว่ามีอุปการะมาก แม้การก่อสร้างก็จัดว่ามีอุปการะมากแม้การให้ทานก็จัดว่ามีอุปการะมากแม้การบูชาก็จัดว่ามีอุปการะมากเมื่อกิจที่ควรทำเหล่านั้นเหล่านั้นมีอยู่ยนี่นะคือถ้าจำเป็นก็ต้องทำว่างั้นเถอะถ้ามีกิจถ้าจำเป็นอ่ะนะจำเป็นจะต้องทำก็ต้องมีการกระทำดังกล่าวละขอถวายพระพร ถ้าหากว่าภิกษุแม้ทุกรูปล้วนเป็นอภิชาติบริสุทธ์สายกิจที่ควรทำตะตามอนุสาตก็ไม่น่าจะมีถ้าทุกคนเป็นพาดหันหมดพระพุทธเจ้าต้องสอนอะไรไหมไม่ต้องเนี่ยนะขอถวายพระพรแต่เหตุที่กิจที่ควรทำด้วยการสะดับตรับฟังมีอยู่แลแม้แต่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบทผู้สังสมกุศลมูลไว้นับได้หลายเอนับได้อสงไขแสนกับเนี่ยนะ ก็ว่าถ้าโดยกลับก็หาประมาณไม่ได้แล้วได้บรรลุที่สุดยอดแห่งปัญญาก็ไม่อาจบรรลุอาสวัคค า, า, ายานคือโสดาปฏิผลสกธาคามิผนอนาคามิผนและอรหัตตะลได้โดยเว้นจากการสดับตรับฟังภาษารีบุตรเนี่ยบรรลุเพราะฟังนะโสดาปฏิผลของท่านเนี่ยได้มาเพราะฟังพระอศัศเชอรหัตตะมักผลที่เหลือนะสกธาคา สกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลบรรลุจากการฟังพระพุทธเจ้าขนาดท่านยังต้องฟังแล้วเจองได้บรรลุว่างันเพราะฉะนั้นขอถวายพระพรการสดับะดับฟังจัดว่ามีอุปการะมากต่อการบรรลุมรรคผลการเล่าเรียนการสอบถามก็มีอุปการะมากต่อการบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นทั้งการเล่าเรียนการสอบถามก็เรียกว่านิปปัปจะทำได้ การศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่านิปปปัญจธรรมเพราะเรียนเพื่อกำจัดตัณหากำจัดมานะและกำจัดทิฏฐิเพราะการเรียนก็คือเรียนเพื่อพระนิพพานอย่างลงสู่พระนิพพานมีเป้าหมายคือพระนิพพานเพราะนั้นการเรียนการฟังธรรมทุกครั้งก็ตั้งเป้าหมายเพื่อขอจะได้เจริญกุศลถูกเมื่อเจริญกุศลขอกุศลอันนี้จงเป็นไปเพื่อบรรลุมัดผลนิพพานเพราะว่า ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะมีการศึกษาพระธรรมอยู่สองอย่างเท่านั้นคือเรียกว่าอลรักขทูปะมะปริยัติกับนิสรณัฐปริยัตเนี่ยน ะ, ะพวกอลรักขทูปะมะปริยัติก็คือเรียนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้คนจะได้ไม่ไมกล้ามาตอแยกับเราอันหนึ่งเครียกว่าเพื่อป้องกันคนนั้นมาว่าอย่างนั้นมาว่าอย่างงี้เป็นต้นเนี่ยนะอันหนึ่งนะอันหนึ่งก็คือเรียนเพื่อลาบสา ก, การะเรียนเพื่ อ, อโอ้อวดเนี่ยนะ การเรียนแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอลรัคัตถู ป, ประมาปริยัดเรียนแบบจับอสรพิษที่หางเนี่ยนะเพราะฉนั้นอัตกถาท่านก็แนะนําว่าเออนอนดีกว่าว่างั้นแนตะ่ถ้าจะเรียนแบบนั้นถ้ามีตั้งใจไว้แบบนั้นเรียนเพื่อโก้เนี่ยนะนะก็นอนซะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกับจับอสรพิษนั่นแหละ ทีนี้ถ้าเรียนถ้ามีเป้าหมายถูกก็เรียนให้รู้ว่าตรงนี้เป็นศีลตรงนี้เป็นสมถะตรงนี้เป็นมิปัสชนาตรงนี้เป็นสติปัญญานตรงนี้เป็นสัมมาประธานอิธิบาทอินทรีย์พระโพชฌงและองค์มรรคเรียนอย่างนี้จึงจะได้บรรลุมรรคผลอย่างนี้บรรลุมรรคผลต้องตั้งจิตอย่างนี้ต้องอธิษฐานอย่างนี้ต้องสมาทานอย่างนี้ต้องคิดถึงบ่อยๆอย่างนี้ต้องรู้สิ่งนี้ต้องละสิ่งนี้ต้องทําให้แจ้งสิ่งนี้ต้องเจริญสิ่งนี้มันจําแนกแยกแยะแล้วตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นอย่างนั้นเพราะ การเรียนแบบนั้นเนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อประหารตัณหาจริงอยู่ตอนเรียนอาจจะมีตัณหาแต่ก็มีเจตนาลมเพื่อต้องการกําจัดตัณหาตอนเรียนบางครั้งอาจจะมีมานะแต่ก็มีเป้าหมายเพื่อกําจัดมานะเพราะฉะนั้นถ้ามีโยนิโสมณิสิการโดยชอบโดยแย็บขายก็สามารถที่จะตรัสรู้ได้ในที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการเรียนการสอบถามก็นับว่ามีอุปการะมากต่อการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะ มันกุศลธรรมทั้งหลายที่ที่เรียนที่ศึกษาที่ปฏิบัตินี่ก็ต้องมีตั้งอุปนิสัยตั้งอัธยาศัยเพื่อการตรัสรู้ซึ่งพระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่า